เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังกันมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าอันกิเลสตัณหาโลภโทสะโมหะเหล่านี้เนะี่ยไม่มีอำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากาจัดมันได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาที่อบรมให้เกิดขึ้นในจิตดตวงนี้เท่านั้นเละมัน จะกกำจัดกิเลสจังกล่าวมานั่นได้ก็ไม่เห็นมีใครกำจัดมันได้ผู้มีความรู้ในทางโลกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรสรพัดแล้วคิดคน้นเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆได้อย่างวิจิตพิสดารตลอดถึงคิดค้นอาวุธยุทธภัณฑ์มาสังหาร ซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้วิเศษวิโสจริงๆนี่นะแต่แล้วบันคิดที่จะมากาจัดความโลภโกรธหลงมานาทิธิอันนี้ออกจา ก, กจิตใจนี่ไม่ได้เลยลองคิดดูอันนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงร้อนเป็นไฟอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดมาสนใจในคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว น้อมธรรมะอันนั้นมาสู่จิตใจสร้างธรรมะเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วกิเลสเหล่านี้มันก็เบาบางไปจริงๆ น, ะนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปแล้วคนผู้นั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วแบนี้นะถ้าหลายๆคนปฏิบัติตามอย่างว่านี้ทำให้กิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเลยคนหมู่มาก เหล่านั้นก็ดีไม่ได้ทำใครให้เดือดร้อนเลยนี่นะลองคิดดูไอ้ธรรมานุภาพนะมันทำโลกคือหมู่มนุษย์เรานี้ให้สงบสุกได้ไม่ให้เบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกัน น, ะนั่นแหละถ้าพี่นาไปอย่างนี้แล้วมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะพระธรรมคำสอนนี่นะ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นคุณนานุภาพแห่งพระธรรมดังกล่าวมานี่แหละท่านจึงยินดีปฏิบัติตามเหมือนอย่างพระนางประชาบุรีโคตมีกับบริวารห้าร้อยนั่นเลยไปขอบวชกับศาสดราพระองค์ทรงให้เรียนเอาครุธรรมแปดประการ ถ้ายินดีจะปฏิบัติตามคารุธรรมแปดประการนี้ได้ก็ก็เป็นอนุตต์ได้บวอืรในตำรากล่าวว่าพอพระนางประชาบุรีโคจมีได้ฟังพระอานนุ์แสดงให้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดตีที่ยินดีขอน้อมรับเอาคารุธรรมแปดประการนี้ไปปฏิบัติตามจนตลอดชีวิตอ ไม่มีเงื่อนไขไม่มีพ่ออุทธรใไรทั้งหมดยินดีน้อมรับปฏิบัติตาม <c oughs> แล้วในที่สุดท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาบรรลุสึงซึ่งพระนิพพานได้ทั้งห้าร้อยอย่างนี้แหละผู้ที่ มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ จ, จริงๆอย่างนี้แล้วมันก็ยิมดีปฏิบัติตามแหละถ้าว่าความเลื่อมใสนี่ไม่เพียงพอมันก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ครบถ้วนเลยเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดมีความเชื่ออย่างแข็งแรงทั้งประกอบไปด้วยปัญญาอีกด้วยอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้เต็มที่เลยไม่ได้คิดว่าเหลือวิสัยไม่ได้คิดว่าลำบากยากเย็นหรือเกินการปฏิบัติตามพระธรรมนี้ไม่มีเลย ท่านผู้หลุดพ้นไปได้เหล่านั้นนะท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วนั้นสบายใจมากแล้วเมื่อพระธรรมบางเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็กลัวพระธรรมนั้นมันก็ไม่ลุกลามขึ้นมาได้มันไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงมจิตใจผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมนั้นได้ ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในเมตตากรุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นนะคงโกรธมันก็กลัวมันก็ไม่กลา้าครอบงามจิตของผู้นั่นได้นะเนี่ยผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานการให้การบริจาคอย่างนี้ความโลภความตณีความหวงแหนมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าเข้ามาครอบงามของผู้นั่นครอบงมจิตของผู้นั่นได้ ผู้ใดมีภาวนาอยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจเสมออย่างนี้นะไอความหลงมันก็กลัวไม่กล้าไปครอบงามจิตท่านผู้เชีน่นนันได้ท่านผู้เชี่ยนนันจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาออคําว่าตื่นอยู่ก็หมายความว่ารู้แจ้งในความดีความชั่วของโลกอันนี้ ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นความดีท่านก็รู้แจ้งอันนี้เป็นความชั่วก็รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ยึดถือแนละ้วเพราะความดีความดีของโลกเช่นอย่างว่านายกนางขอทาดีพูดดีอะไรอย่างนี้น ะ, ะแทนที่ว่าจะไปรักให้ว่านายกนางขอเป็นคนดี แล้วจะไปรักใครยืดชื่นชมยินดีในกอในขอนั้นไม่เป็นอนะ่ะก็รู้แล้วว่าดีดีความดีของเขามก็เขาทำดีความดีนั่นก็อานวยความสูงให้แก่เขาออย่างนี้นะก็ของใครของมันนะแล้วจะไปยึดเอาของเขามาทำไมอะ่ะนั่นเลยก็ยังว่านั่นแหละเคยเป็นมาแล้วนะนักบวช บางรูปบางร่างออพอเห็นทายกทายิกามาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อเข้าไปแสดงความเลื่อมใสนับถือมากๆเข้าไปเอาแล้วใจเข้าไปผูกพันเข้าไปแล้วว่าแฮ้คนนี้เป็นคนดีจริงนั่นไม่ถือว่ารู้แจ้งในความดีนั่น ก็ความดีนะของใครของมันเงินใครเงินมันต่างคนก็ต่างจับจ่ายของใครของมันเราจะไปเอาเงินของผู้อื่นมาจ่ายเขาให้อะไรอ ะ, อะนั่นเลยเงินของใครของคนนั้นก็จ่ายเองอันนี้ความดีของใครทำผู้นั้นก็ได้ดีไปผู้ใดทำดีได้ขั้นไหนก็พ้นทุกไปได้ขั้นนั่นตนทำดีตนละกิเลสไปได้เท่าไหร่ตนก็พ้นทุกไปได้เท่านั้น ถ้ามีโอปัยโกน้อมเข้ามาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปผูกพันกับใคร เ, เราก็ผูกพันกันตั้งแต่ภายนอกเนื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองแต่ภายในจิตใจไม่ได้ไปผูกพันกับใครมีแต่ผูกพันอยู่กับความดีความจริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี่ ตนเองรู้จริงอย่างไรก็รักษาความรู้จริงอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่อย่างนี้ละท่านจึงเรียกว่าคนมีภาวนามีสมาธิด้วยมีปัญญารู้แจ้งทั้งดีทั้งชั่วตามเป็นจริงรู้แจ้งแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดมัน่นจึงได้เรียกว่ารู้แจ้ง พราะว่าความดีนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอถ้าผู้ใดยึดถือมาไว้ในใจเดี๋ยวมันก็เกลียดกันชังกันเลยคนพวกนี้มันน่าเกลียดจริงๆเหรอเป็นคนไม่ดีอเนี่ยมันก็แสดงอาการเกลียดชังกันเข้าไปแล้วถ้าไปเห็นคนใดเขามีกิริยามารยาทดีละมุนละไมเข้าไว้หนอนแม้คนนี้ดีจริงเอง เดี๋ยวก็ไปผูกพันกับเขาเข้าไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันลำเอียงไปอยู่นั่นมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงแล้วมันพ้นกิเลสไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจตัวความดีความชั่วมันเป็นส่วนโลกิยธรรมความดีมีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่น เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละดินมีอยู่ที่ไหนหญ้าพืชพันธ์ต่างๆมันก็มีอยู่ในที่นั้นหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเละบุญกับบาปเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรต้องเรียนให้รู้ไว้เพราะจิตของคนเรามันคล้องอยู่ในบุญกับบาปนี่แหละมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เอ วันนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนี่ย น, นะเอาให้เพียยายามละความชั่วไปก่อนวันนี้นะยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งทางใจไว้อมันเป็นอย่างนั้นพยายามสมทานมั่นในศินให้ได้เมื่อมั่นในศินได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทําความชั่วอย่างงาบนั้น เมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาเข้าไปไอความชั่วอย่างกลางมันก็สงบลงนะฮมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความชั่วอย่างกลางมันสงบลงจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วบรรดาบุญกุศลความดีทั้งหลายมันก็หมายเอาตัวความสงบนั่นแหละบันนี้นะมันหลอมตัวเข้านะ ออบุญกุศลความดีทั้งหลายมันหลอมตัวเข้ากับจิตจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละว่านี่บุญนะกุศลนะไม่ได้อยู่ข้างนอกว่านี้ออการคิดเพ่งไปว่าทําอย่างนั้นได้บุญทําอย่างนี้ได้กุศลอะไรเท่าไรไปอันนั้นไม่ใช่ตัวบุญนี้ต้องเข้าใจฮมันเป็นเรื่อง สายเหตุที่จะได้ให้เกิดบุญกุศลต่างหากบทตัวบุญจริงๆแล้วคือการทำใจให้ส ง, งบลงไปจากอารมณ์อันที่น่ายดีดีนิร้ายต่างๆนี่นะนี่แหละเมื่อใจรวมลงเป็นหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็ก็รู้ได้เลยแหละทุกคนรู้รู้ได้นะรู้ได้ว่าอ๋อบุญนี่เป็นอย่างนี้อืม ตัวบุญนี่เป็นอย่างนี้ผู้ใดรู้จักตัวบุญคือคือตัวความสงบใจนี่ได้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปในเรื่องอื่นเลยแบบนี้นะเมื่อทําตนรักษาใจให้เป็นปกติอยู่แล้วใครจะ ว, ว่าตนไม่มีบุญใครจะ ว, ว่าตนเป็นยังไงก็แล้วแต่มัน น, นนะไม่ได้ตื่นเต้นไปกับใครอะใครจะ ว, ว่าตนไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ ผู้นั้นไม่หวนไหวไปตามคารมคมคายของใครต่อใครเลยอย่างนั้นการที่บุคคลมีปัญญาไม่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆทั้งส่วนดีและส่วนชั่วดังกล่าวมานี่นะไว้ในใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาหรือว่ากุศลธรรมก็ได้ต้องให้เข้าใจเราจะไปสงสัย เรื่องบุญเรื่องบาปยังไงกันอีกต่อไปถ้าบำเพ็ญจิตใจมาได้ถึงขั้นนี้แล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องบาปมันต้องหายไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจให้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในขั้นต้นนั้นเราก็คำนึงดู กายวาจาใจของตนเนี่ยตนละบาปแล้วจริงหรือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวราทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเราละมันแล้วหรือยังถ้ารู้ตัวได้ว่าละมันแล้วอย่างนี้รู้ชัดๆในใจจริงๆนะว่าละมันจริงๆพนอะทบทวนดูแล้วแต่ละวันแต่ละเวลาได้มีสติสัมปชัญญะ ระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาสเสมอมาอย่างนี้นะนี่ก็รู้ชัดว่าตนไม่มีบาปนี่การฝึกตนนะมันต้องให้รู้เป็นขั้นๆไปอย่างนี้เนะี่ยเมื่อรู้ว่าบาปไม่มีในจิตใจของตนแล้ววันนี้ออ้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสแล้วนั่นแหละ เราโน้มลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายแบบนี้นะนนัเพียงเจริญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปมาอยู่ยางนี้ไม่นานใจมันก็รวมลงได้เลยเพราะมันไม่มีาบาปมารบกวนนะอเป็นอย่างนั้นเพียงแต่อารมณ์ความคิดธรรมดาธรรมดาไปเฉยๆนี่นะมันไม่มีอิทธิพลรุนแรงอะไรอย่าง ในนั้นเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอารมณ์เหล่านั้นมันก็ระ ง, งับไปจิตที่มันคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปต่างๆมูนนั้นนะมันก็ระ ง, งับไปด้วยอํานาจแห่งสตินั่นแหละมันเพ่งเข้าไปภายในจิตนั้นนะไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าใดจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงไปเท่านั้นเลยให้พึ่งเข้าใจชัดๆว่าจิตใจจะสงบลงไปได้จริงจังอาศัยสติแท้ๆเลยถ้าปราศจากสติแล้วจิตนี้สงบลงไม่ได้สติต้องเพ่งต้องกําหนดรู้อยู่ที่รู้เลย ไม่ได้ระลึกไปที่อื่นเลยวันนี้นะเมื่อเอาเข้ากระชั้นสิทธิ์เข้าไปจริงๆแล้วสตินั้นไม่ระลึกไปที่อื่นเลยมีแจะกำหนด ร, รู้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอารมณ์อยู่เมื่อจิตนั้นมันมีสติประคองอยู่แล้วนะมันก็สงบอยู่ได้แล้วมันก็ไม่เผลอไม่คิดไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยมันก็ค่อยสงบลงสงบลง เมื่อเพ่งไปไม่ท่อไม่ถอยเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งละเอียดลงไปเท่านั้นน ะ, ะหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นพ ร, ระพุทเจ้าจึงได้ทรงเปล่งพระอุทานว่าในการใดพรามทั้งหลายมีความเพียนเพ่งอยู่ในการนั้นพรามเหล่านั้น ยอมรู้แจ้งว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุอนั่นแหละคำว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ก็เหมือนกับอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปอากุศลต่างนี้ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นนี่ก็รู้ชัดอย่างนี้มัในี้เมื่อใจไม่ปรุงขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอื เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายยอมรู้แจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายระงับดับไปแล้วจากดวงจิตนี้เหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตันหานั่นเลยความโลภโกรธหลงมูลนี่นะเราหมายถึงว่าเพ่งดูจิตตัวเองก็เห็น เห็นว่าอวิชชาตันหาเนี่ยความโลภโกรธหลงหมูนี่มันลังงับไปจากดวงขิดก็ก็รู้ก็เห็นอันเนี้ยที่ว่าเหตุปัจจัยนั่นนะเหตุปัจจัยเหล่านี้มันลังงับไปเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายย่อมกําจัดมานและเสนามาัน ให้หมดสิ้นไปดุดดังที่พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายความมืดให้หายไปฉะนั้นอันนี้แหละพระศาสดาเมื่อได้จัสรูแล้วได้ทรงปริ่งอุทานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้เอาไปปฏิบัติไปตามแนวนี้ เพียนเพ่งดูจิตตัวเองนี่ว่ามันยังมีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจในี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่าพอเพียนเพ่งวินิจแล้วกิเลสมันจะหมดจะแห้งไปเลยไม่ใช่เมื่อกิเลสอันใดมีกิเลสนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อรู้ตัวของกิเลสนั้นแล้วก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการทำความเพียงเพ่งวินิจนี่นะ ให้เข้าใจเมื่อเมื่อละมันไปแล้วมันก็ยังวกเวียนเกิดขึ้นมาอีกอยู่ความคิดอันนั้นอนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปมันยังพอใจในอารมณ์อันใดอยู่ก็สอนจิตให้เบื่อหน่ายในอารมณ์อันนั้นโดยยกอุปมาอุปมาต่างๆมาออสอนจิตตัวเองนี่แหละอเปอน็นไน อย่างเช่นความโกรธนี่ท่านอุปมาไวเหมือนกับไฟนี่ธรรมดาไฟนี่มันไม่ไม่เลือกเลยจะเป็นไหมสดไหมแห้งอะไรก็ตามมันไหมทางนั้นเลยจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ช่างมันไหมทางนั้นเลยนี่แหละไอความโกรธนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อบุคคลใดไม่ละมันเนี่ยสะสมให้มันมมนองมากเข้าไปแล้ว มันฆ่าได้ตลอดถึงมารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวเรียกว่าทำบาปได้อย่างสูงสุดเลยร่เดียวอำนาจในความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไฟเนี่ยเมื่อมันได้เชื้อแล้วมันไหม้ไปไม่เลือกเลยนี่ข้ออุปมางี้นะเมื่อเรายกออกมาสอนใจเข้าไปใจนี่มันก็รู้แจ้ง มันก็เห็นโทษแห่งความโกรธนั่นได้อย่างอย่างมากทีเดียว ก, การทำให้จิตเห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากไม่ใช่น้อยนะเพราะเมื่อมันไม่เห็นโทษแล้วมันไม่เบื่อเรื่องมันเมื่อมันไม่เบื่อแล้ว ม, มันก็ไม่คลายไม่คลายความยึดความถือมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจ เมื่อกิเลสอะไรมันรบ ก, กวนจิตใจตัวเองอยู่แล้วกําหนดใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วก็หาอุบายมาสอนใจตัวเองอย่างที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละเมื่อใจมันได้รับอุบายที่ถูกต้องด้วยดีแล้วอย่างนี้มันก็เห็นโทษเลยวันนี้นะอืเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นเลยเช่นความรักหมู่นี้นะอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ความรักนี่ขึ้นต้นนั่นหวานอร่อยจริงแต่ตอนปลายนั้นขมขื่นมากอย่างนี้เลยเพราะองค์อุ ป, ปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนะเมื่อบุคคลไม่รู้จักว่ายาเม็ดนี้นะมันมียาพิษอยู่ภายในนั่นเขาเอาน้ำตาลเคลือบไว้ เข้าใจว่าเป็นยาที่บริสุทธิ์ก็รับประทานเข้าไปทีแรกนี่มันก็หวานเลอเพราะว่าน้ําตาลมันเคลือบอยู่ภายนอกนี้ทันพวกกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ําตาลละลายยาพิษนั้นออกฤทธิ์แล้วบัด น, นี้เอาแล้วออได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้าไปอย่างแรงกล้าไปเลยถึงกับสิ้นชีวิตไปกับยาพิษนั้นก็มีเลยเป็นอย่างนี้แหละ อุปมาเหมือนอย่างคนผู้ไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่นี่แหละเมื่อมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นในใจแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องดีก็ปล่อยให้มันรักไปวิตกวิจารณ์ไปในเรื่องที่ตนรักตนชอบนั้นเมื่อวิตกวิจารณ์ไปเท่าไหร่ความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเลยเมื่อความรักมันลงรุนแรงขึ้นเต็มที่แล้ววันนี้ มันจะทำบาปได้เลยวันนี้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอยน่างนี้ล่วงพระวินัยได้เลยไม่กลัวแล้วบาปอ่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะก็ไปล่วงศีลของคฤหัสถ์ที่ตนสมทานมาแล้วนั่นได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยอำนาจแห่งความรักความใคร่นี่มันทำให้คนเราหน้ามืดอืม ใจมืดมองไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ที่จะตามสนองตนไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแต่อย่างใดนี่เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องละมันนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคราหัอืตเหมือนกันหมดถ้าไม่เพียรพยายามละมันแล้วมันก็ก่อทุกข์ให้ ไปในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วทุกในมนุษย์โลกนี่ก็ยังทำเนานะถ้าไปทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ไปตกนรกแล้วก็มันแย่จริงๆนะออมันทุกข์หลายเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายทุกคนต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้มันได้ออ อันกิเลสมันจะเบาบางไปได้ก็เพราะว่าจนมีอุบายสอนใจเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมกิเลสนี่มันถึงไม่หมดไปสักทีมันทำไมมันถึงไม่เบาบางไปสักทีอย่าไปสงสัยการที่กิเลสไม่เบาบางก็เพราะว่าตนไม่ทำใจเป็นสมาธิตนไม่จเจริญปัญญา ไม่หาอุบายมาสอนใจตัวเองนี่ฉันว่าอย่างว่าทำก็ทำเพียงแค่สมาธิทาให้ใจสงบไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ใช้อุบายปัญญาอะไรมาสอนจิตตัวเองให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั่นนะนี่ก็ได้ชื่อว่า ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสของกิเลสและกองทุกข์อยู่อย่างนั้นล้ำไป ừ, เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามธรรมบรัรยายที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้ ก็คงจะได้รับผลไม่มากก็น้อยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้